ง่ายๆคือคําสอนของพระเจ้าซึ่งมีสาระสําคัญเนี่ยก็คือการสอนให้คนทําความดีและเข้าถึงความจริงคําสอนส่วนที่เรียกว่าความดีเนี่ยหรือสิ่งที่คนเราควรทําเนี่ยก็เรียกวจริยธรรมคําสอนส่วนที่เกี่ยวความจริงที่คนเราควรจะเข้าถึงหรือเห็น ประจับชัเนี่ยเรียกว่าสัจธรรมดันั้นในคําสอนพุทธศาสนาที่เรียกพุทธธรรมเนี่ยนะก็จะประกอบด้วยสองส่วนนี่แหละนะคือจริยธรรมแล้วก็สัจธรรมซึ่งสองอย่างนี้ไม่ได้แยกจากกันหมายความว่าความดีเนี่ยทำไะเรควรทําความดีเพราะเพราะว่าถ้าเราทําความดีแล้วเราก็จะมีความสุขนะอันนี้เราเรียกว่าเป็นความจริงที่พระเจ้า ตัดสรุปง่ายว่าทำดีได้ดีทำดีได้ดีเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าเป็นกติกาของสังคมแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติถ้าเราทำความดีเนี่ยและถ้าเป็นความดีแท้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความสุขอย่างน้อยๆความสุขในจิตใจส่วน ความเจริญความรุ่งเรืองความร่ำรวยอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งตามมาทีหลังหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับค่านิยมของสังคมถ้าสังคมนั้นเนี่ยเขายึดถือความดีทำความดีก็จะไม่ใช่แค่ได้ดีในจิตใจอย่างเดียวมันก็จะเกิดความเจริญเกิดความก้าวหน้าด้วย ใ น, นสูงคือว่าเนี่ยคําสอนของพระพุทธเจา้าที่เราพุทธศาสนาหรือพุทธธรรมเนี่ยนะมันก็มีหลักหลอยู่สองอย่างนั่นแหละคือความดีที่เราควรปฏิบัติและความจริงที่เราควรจะเห็นความและความจริงนี่คืออะไรครับความจริงเนี่ยพุทธเจ้าหมายถึงกฎธรรมชาตินะเหมือนกับว่าน้ําถ้า ต้มด้วยความร้อนเนี่ยในสุดก็จะเดือดกลายเป็นไอนะความจริงก็เหมือนกันแต่ความจริงเนี่ยมันมีเยอะมากนะพระเจ้าปรยบว่าความจริงในโลกจักรวาล น, นี้เนี่ยมันเปรียบเหมือนกับใบไม้ในป่าแต่ว่าความจริงที่พระเจ้านำมาตรัสนำมาสอนเนี่ยเหมือนกับใบไม้ในกำมือมีแค่ ไม่กี่สิบใบพูดอย่างง่ายๆคือว่าความจริงคกอบเรื่องความไม่เที่ยงเรียกว่านิจจังความทุกข์คือทุกขังและความจริงที่เรียกว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนคืออนัตตาอนิจจังทุกขออนานัตตาก็คือความจริงที่เราควรจะเห็นเข้าใจพูดอย่างง่ายๆคือเมื่อคนเราเกิดมานี่ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องพพรก็ต้องตาย นี่คือความจริงที่เราต้องตระหนักถ้าเราไม่ตระหนักใช่ไหมเวลาเราแก่เราก็ทุก ย so ังไงเริ่มยัง ค ว, ความจริงเนี่ยความจริงอันทีจังทุกขังอนัตตาเนี่ยถ้าแปลงมาเป็นรูปธรรมเพื่อคนเราเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและในระหว่างนั้นก็ต้องพบกับความพรีสูญเสียถ้าเราไม่เห็นไม่ตระหนักความจริงข้อนี้เนี่ยถึงเวลาเราแก่ผมงอกผิวหนัง่ยวย่น เราก็ทุกอย่างเหมือนอย่างที่คนหนุ่มสาวทุกวันนี้กําลังจะทุกหรือว่าทุกอยู่เพราะว่าเห็นร่างกายเนี่ยนะเสื่อมชราไปถ้าเราไม่เข้าใจความจริงเรื่องนี้เวลาเราป่วยเราก็ทุกทําไมต้องเป็นชั้นก็ทุกคนก็ป่วยกันทั้งนั้นแหละถ้าเราไม่เข้าใจความจริงข้อ น, นี้เนี่ยถึงเวลาตายเราก็ทุรนทุรา ย, น, ยนี่คือความจริงอันหนึง่งที่พระเจ้าเรียกว่าทุก แต่ผู้เจ้าสอนความจริงเกี่ยวกับสุขด้วยก็คือว่าคนเราเนี่ยสามารถจะเข้าถึงความสุขที่แท้ได้นะถ้าเราเข้าใจความจริงเรื่องทุกข์ถ้าเรารู้จักปล่อยรู้จักวางถ้าเรารู้จักทำความดีนะแต่ทำความดีไม่พอนะต้องเห็นความจริงด้วยทำความดีแต่ว่างานไม่ก้าวหน้า เจ้านายไม่ชอบมีคนต่อว่าด่าทอก็ทุกเพราะไม่เห็นความจริงว่าคำสารเสริญกับคำนินทามีของคู่กันไม่มีใครที่จะหนีคำนินทาได้พ้นทำดีแค่ไหนก็ถูกต่อว่าด่าทออย่างพระเจ้าเป็นตัวอย่า ง, งถ้าเราเข้าใจความจริ ง, งน้นนี้ทำความดีแล้วเนี่ยเจ้านายไม่สารเสริญนะไม่เรื่อนเงินเดือนให้เราก็ไม่ทุก เพราะเรารู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองทำความดีสร้างบุญสร้างบุญสาเสร็จแลเจบป่วยขึ้นมาหรือว่าคนรักเกิดล้มหายตายจากก็ไม่ทุกข์เพราะรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเองนะนั้นถ้าเราทำความดีแล้วเ ร, เ, รเราเห็นความจริงด้วยเนี่ยเราก็จะพบกับความสุขเจ็บป่วยแต่ใจสุขเนี่ยได้อันนี้คือความจริงที่พระเจ้าได้นํามาสอนสิ่งที่พระเจ้าสอนเนี่ยไม่ใช่ความจริงเกี่ยวกับทุกข์เท่านั้น แต่ยังสอนความจริงเกี่ยวกับารพ้นทุกข์และวิธีการที่จะพ้นทุกข์ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคาสอนของผู้เจ้าเนี่ยจึงไม่ใช่ทำให้เราก็ถทูกแต่มันทาให้เรามีความหวังมีความหวังว่าเราจะข้ามพ้นความทุกข์ได้แต่ก็ต้องเตรียมตัวอยู่เสมอที่จะเจอกับสิ่งที่ไม่คาดฝัน ถ้าเราเตรียมพร้อมอยู่เสมอเนี่ยมันเกิดขึ้นเราก็ไม่ถูกให้คำสองวิจัยมีปรียวตรงนี้คือมันทำให้เราเตรียมตัวไว้ก่อนว่าเราต้องเจออะไรบ้างแล้วเราเตรียมใจไว้ได้เนี่ยเราก็จะพบกับความสุขแม้สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับเราก็ตามแล้วยิ่งทความดีหรือว่าการรู้ความจริงเลยเาถึงความจริงมันช่วยทำให้เราพัฒนาอะไรไปร่ง ยังเรื่องงานหรือเรื่องอะไรถูกมันโดนด่าแล้วอันก็อาจจะเพราะเราทํางานไม่ดีพอเลยอนะไรี้ยมันช่วยให้เราพัฒนาได้ไหมเราทําความดีเราข ย, ยันนะแต่ว่าถูกเจ้านายว่าถูกเพื่อโรงงานนินทาเราไม่ทุกนะไอ้คาไม่ความไม่ทุกเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะทําทความเพียรได้ต่อไปเราไม่ท้อเราไม่ถอยนะเราไม่กลัวบอกุ้มใจ อย่างกินอิ um, ่มนอนนอนอุ่มนอนอุ่มไม่ใช่กินไม่ได้นอนไม่หลับมันก็ทำให้เราสามารถจะทำงานได้ต่อเนื่อง ถ, ถ้าเราทำงานอย่างต่อเนื่องมีความเพียรมันก็ต้องประสบความสาเร็จเราต้องประสบความเจริญนะอาจจะไม่ได้เจริญแบบฟุฟ้งฟา่นะแต่ว่ามันก็มีความเจริญให้เห็นข้างข้างนอกและข้างในใช่ไหมคนเราถ้าเกิดทุกข์เครียด รู้บกุญใจแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีเลี้ยวแรงทํางานได้ต่อเนื่องแล้วจะประสบความเจริญได้อย่างไรกลับมาเรื่องความจริงแล้วเราจะทํำยังไงครับให้เราเข้าถึงความจริงตรงนี้ได้พิจารณาสิ่งที่ปรากฏกับเราทุกวันทุกวันชีวิต ป, ประจําวันมันเจอสิ่งที่ไม่คาดฝันเจอความไม่แน่นอน เช้าวันอาทิตย์เดินทางไปเยี่ยมเพื่อนปรากฏรถติดติดเนบเลยอันนี้มันก็คือความไม่แน่นอนของชีวิตอากาศร้อนร้อนวันดีคืนดีเกิดหนาวเฉียบนะหน้าร้อนดันฝนตกน้ำท่วมถ้าเรามันสังเกตเนี่ยเราจะซึมซับกับความจริงว่าไม่มีอะไรที่แน่นอน อะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้เพื่อนเราซึ่งยังหนุ่มยี่สิบสามสิบวันดีคืนนี้ก็ตายพรอติเหตุหรือว่าเป็นมะเร็งแทนที่เราจะหมดแต่โศกเศร้าอย่างเดียวเราก็เรียนรู้ด้วยว่าเนี่ยคือความไม่แน่นอนของชีวิตความไม่แน่นอนเรื่องนี้จังสอนเราตลอดเวลาจากขังงสืพิม์ จากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ของสรยุทธ์นะจากเรื่องราวของผู้คนมากมายที่อยู่รอบข้างเรารวมทั้งกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับเราวันแล้ววันเล่าเนี่ยนะอันนี้คือรู้จักมองนะทางพุทธเราเรียกว่าโยนิสโสมนสิ ก, การนะคือรู้จักมองนะแม้จะเป็นความจริงที่เราไม่ชอบความจริงที่เจ็บปวดแต่มันสอนทำให้กับเรา อีกอันนึงคือการพิจารณาความจริงที่เกิดขึ้นกับกายและใจของเรานะเรานั่งอยู่ในท่าที่สบายนั่งได้ไม่ถึงสิบห้านาทีเราก็ต้องขยับแล้วทำไมต้งขยับเพราะมันเมื่อยอันนี้มันก็สอนเราเรื่องความไม่เที่ยงสอนเราเรื่องทุกข์ว่าไม่มีอะไรที่สบายอย่างแท้จริงแม้แต่ท่านอนที่เราคิดว่าสบายสุดแล้วเนี่ยนอนได้ประเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องขยับแล้ว กลางคืนเนี่ยเรานอนพลิกตัวไม่รู้กี่ท่ากี่ครั้งมันบอกให้เราเห็นว่าความทุกข์มันอยู่กับเรานะที่เราขยับเพราะเพื่อหายทุกข์เพื่อลดความทุกข์เพื่อบรรเทาความทุกข์แต่มันก็ไม่หนีไปไหนขยับไปนอนท่า น, นี้เดี๋ยวก็ทุกข์อีกละเมื่อยก็ต้องขยับนะอันนี้คือการสังเกตดูกายสังเกตดูใจของเราใจเราเนี่มันขึ้นมันลงนะเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจนะ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายบังคับไม่ได้เราตั้งใจจะทําทสมาธิตั้งใจว่าจะไม่คิดอะไรเลยไม่ทันถึงนาทีมันก็คิดอีกแล้วเราแต่ละคนไม่มีทางจะรู้เลยนะว่าอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าเราจะคิดอะไรเราไม่มีทางรู้เลย่าใจเรานหนึ่งนาทีข้างหน้าจะคิดอะไรเราพยายามบังคับไม่ให้มันคิดมันเหมือนคิดจนได้มันสอนอะไรเรามาสอนแล้วเรื่องอนิจจัง มาสอนแ้วเรื่องทุกขังก็คือว่าความเสื่อมความดับความดีใจดีใจตอนชอ็อตตื่นขึ้นมาพออ่านข่าวหนังสือพิมพ์ดูข่าวข้อความจากไลน Facebook กลายเป็นหมุดหงินแล้วอันนี้เรื่อความดีใจก็ไม่เที่ยงความดีใจก็เป็นทุกเป็นทุกหมายความว่ามันทนอยู่ไม่ได้ในสภาพเดิมมันต้องแปลเปลี่ยนไปต้องเสื่อมดับไปนะแล้วมันยังบอกด้วยใจเราเนี่ย เราควบคุมมาคับไม่ได้มันคืออนัตตา น, นถ้าเราสังเกตดูกายและใจของเราเนี่ยตลอด เ, เวลามันจะแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เราเห็นนะเราจะดูได้ต้องมีสติเราจะเห็นกายและใจอย่างที่ว่าต้องมีสติสติคือตาในตาเราเนี่ยคือตาเนื้อสติคือตาในที่ทําให้เราเห็นกายและใจภายนอกเราเห็นเรามียนต์ส่วนราชการ เราก็เห็นสัจธรรมเมื่อเรามองเข้ามาข้างในเราเห็นอนิจจังทุกขอังอนาตาที่เกิดกับกายและใจปัญญาก็เกิดเราก็จะเข้าใจความจริงมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันจะปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเมื่อดูกายและใจเสมอก็จะเห็นว่ามันไม่มันมีแต่ตากับใจไม่มีเราไม่มีของเราไม่มีตัวเราที่ซ่อนอยู่ในกายและใจ แล้วก็ไม่มีอะไรที่อยู่ครองครอบครองกายและใจมันไปนไปตามธรรมชาติเป็นไปตามเหตุปัจจัยถ้าเห็นอย่างแจ่มแจ้งนะไม่ใช่คิดเอานะมันจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูพูดงายคือไม่มีตัวกูซึ่งก็ทำให้ความทุกข์เนี่ยมันตั้งอยู่ไม่ได้มีความทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์ มีความเจ็บความป่วยแต่ไม่มีผู้เจ็บผู้ป่วยนะมีความปวดความเมื่อยแต่ไม่มีผู้ปวดผู้เมื่อยนะเวลาของหายรถหายมันก็หายไปแต่ไม่ใช่ของเราหายไม่ใช่ของกูหายเมื่อไม่มีของกูหายเนี่ยมันก็ไม่ทุกคนเราทุกข์เพราะอะไรเพราะของกูหายเงินกูถูกโกงรถกูเสียใช่ไหมหรือกูถูกด่า แต่พอไม่มีตัวกูลแล้วเนี่ยไม่มีของกูเนี่ยมันจะมีใครทุกข์มันก็มีแต่ความทุกข์แต่ไม่มีกูผู้ทุกข์อันนี้แหละคือที่มาของความสุขที่มันประเสริฐกว่าการมีการได้เป็นความสุขที่แท้เห็นความจริงสาคัญอย่างนี้ แต่ว่าแต่ว่าไม่ได้จบเลยนะคือครอบคุกรุกธรรมีแต่ว่ามีีเอโสุดยอดเลยคนะพ่บเลยกดเลโอเคครับเดี๋ยวขอครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังมีเดี๋ยวขออีกนิดนึงเดี๋ยวผมไปรีทรีตที่เชียงใหม่ครับ เอาไปด้วยเหรอใครชวนไปอ่ะไปกับเพื่อนโบ้ครับชื่อโบ้ครับแล้วใครชวนไปโบ้ชวนโบ้ชวนครับนี่ทํางานหลบผมกับกุ๊กทางานกับโบ้ด้วยเหมือนกัโบ้ที่ใครนะโบ้โบ้ที่เอ่อทําเคยทําอยู่ขอจะหมายเหตุพุติท่านะครับไปบวชอ๋ออ๋อแล้วก็สึกมานานแล้วศึกมาสองสมปีเรียนไอ๋อ ไปสองคนก็ใช่ครับแต่ว่าจะเพื่อนมีเพื่อนไปอีกคนที่แม่ดินใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอ๋อดีดีผมเพิงไปฟังอาจารย์ที่โกเกียวเนปโเชมาคนแน่นมากไปหมเออไม่เชื่อกันเนาะขนาดข่าวแจ้งล่วงหน้าไม่นานตไปถึงผมไม่ไม่นึกว่าจะโอ้โหคนจะมาใช่แต่วก็ไม่นนึงเลยนั่งมันล้นแสดงว่าโซเกียวเขาดังมาก นิพพานคืออะไรครับคุนิพพานก็ความหมายนิพพานเนี่ยมันแปลว่าสงบเย็นมันเป็นคำที่มีมาก่อนพุทธ ก, กาลแล้วก่อนที่ผู้ชอบจะตัสรู้คือถ้าหากว่าม้าที่มันพิยจ์เนี่ยแล้วมันเชื่องเนี่ยก็เรียกนิพพานหรือว่าฐานก็แดงๆเนี่ยแล้วมันเย็นเนี่ยเรียกว่านิพพานมันพูดง่ายคือนิพพานแปลว่าเย็น มันคือสภาวะที่เกิดขึ้นกับจิตใจของเราเมื่อเราคนทุกข์เมื่อจิตเนี่ยไม่มีอวิชชานะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นพวกนันคือไม่มีกิเลสเมื่อไม่มีกิเลสเนี่ยนะใจก็เย็นเพราะกิเลสมันทำให้ร้อนไม่ว่าจะเป็นความโกรธความโกรธนี่ชัดเจนร้อนความร่วมนี่ก็ร้อนนะ คือพออยากได้เนี่ยเราเราได้ก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นเราังไม่มีเมื่อยังไม่มีและอยากได้มันก็ทุกข์จิตมันก็ดิ้นเพื่อที่อยากจะไปเอาโกรธมันก็ดิ้นอีกแบบเนี่ยโกรธมันก็ดิ้นและสถานที่อยากจะผลักสายออกไปมันทําให้ทุกข์มันทําให้ร้อนนะและทั้งหมดนี้เกิดจากความหลงความหลงคือหลงว่ามีตัวเรามีของเราหลงว่าทุกอย่างมันเที่ยงพอมันไม่เที่ยงพอมันเสื่อมไปก็เสียใจก็โกรธ ใช่แต่ครนี้พอความหลงมันหายไปเนี่ยความโลวงความกลบมันก็ดับไปด้วยไม่มีอะไรที่จะปบีบคั้นใจให้ทุกข์ไม่มีอะไรที่จะมาเผารนใจให้ร้อนมันก็เย็นนะเมื่อเย็นก็นิพพานนะเป็นนิพพานที่เกิดขึ้นท่ามกลางโลกที่ยังวุ่นวายท่ามกลางโลกที่ยังมีความแย่งชิงต่อสู้ท่ามกลางโลกที่ยังมีความผันผวนปล น, น, น, นแปร แต่ร้อนน้ำท่วมแผ่นดินไว้แต่ว่าใจสงบเกิดขึ้นแม้ว่ากายนี่จะป่วยนะอันนี้มันเป็นมันเป็นสภาวะที่เย็นที่มันมันประเสริฐเพราะมันทําให้เราเป็นอิสระไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมใดๆแล้วนะยังศา ส, สนาอื่นไหครับหรือว่านิกา ย, อย์าอื่นๆที่ไม่ใช่เคอ้ว่าแบบเขาบอกว่าถ้าแบบ ที่จริงก็เหมือนกับขึ้นภูเขาลูกเดียวกันแต่คนละด้านไปสู่จุดยอดเดียวกันคิดว่าไงครับอามาก็มีความอีกเช่นนั้นนะถ้าผุนิกายทั้งสามนิกายเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นเทราวาฒมหายายหรือวัชรยานเนี่ยนะจุดหมายสูงสุดเนี่ยก็คือนิพพานแล้วก็หัวใจของการปฏิบัติเนี่ยก็คือสติปัฏฐานสี่ คโอเควะต้องเพียงเท่าเดหนครับถึงตรงถงตรงสติประ ธ, ธานสี่ที่ประธานสี่ครับต่อเลยไหต่อไเลยครับคือทุกนิกายเนี่ยก็จะถ้าเป็นแก่นแท้นะก็จะให้ความสาคัญการปฏิบัติที่เราสถิประธานสี่รวมทั้งอริมมีองแ์8หรืออริยสัจสี่ แต่ว่าบางนิกายเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องการเข้าถึงคนให้กว้างที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยคําสอนหลักๆเนี่ยบางทีจะไม่ค่อยพูดถึงแตจะเน้นเรื่องศรัทธาเช่นในเรื่องการสวดถึงพระพุทธเจ้าอภิตพะพระพุทธะอยู่เป็นประจำอันนี้ก็ในเรื่องศรัทธาเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าคนทั่วไปเช่นชาวบ้านชาวนาชาวไร่เนี่ยจะ สอนเรื่องปัญญาสอนเรื่องที่ต้องใช้ปัญญาเช่นอธิษสี่มังกรแปดสีประฐานสี่เนี่ยคงจะยากก็จะในเรื่องศรัทธาใช้ศรัทธาเนี่ยเป็นการจูงคนขอดธรรมะนะวันนั้นเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องการสวดมนต์จงกระทั่งมีความเชื่อว่าถ้าสวดมนต์วันละหมื่นจบแสนจบเนี่ยจะไปสวรรค์อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นคำสอนที่มันเหมาะสำหรับคนทั่วไป บางทีก็มีเรื่องเจ้าแม่กวอนอิมเรื่องพระโพธิสัตว์ที่เต็มไปด้วยอิทธิฤทธิปฏิหารเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งแก่ผู้คนอันนี้ก็เขาก็เชื่อว่าเหมาะ ก, กับคนทั่วไปแต่จริงไม่ เ, เป็นนะคนที่ชาวบ้านชาวชาวไร่ชาวนาเนี่ยที่ไม่มีการศึกษาก็จะสามารถเข้าถึงทาขั้นสูงได้อย่างท่านเวลางเนี่ยเวยลานี่อ่านหนังสือไม่ออกนะแต่ว่า พอได้ฟังธรรมะเนี่ยจากคนข้างๆที่เขาอ่านคำภีรแล้วก็ได้ยินคือที่เอาฟืนไปส่งเอาฟืนไปส่งคนลูกค้าเนี่ยได้ฟังธรรมะหรือสโลกเนี่ยไม่กี่สโลกไม่กี่ประโยชน์เนี่ยก็บรรลุธรรมธรรมะที่ได้ฟังเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งมากเนีเรื่องเกี่ยวกับอนัตตา แต่ว่าคนอย่างเว้ยหลางเนี่ยก็มีสติปัญญาพอที่จะเข้าใจนะอย่างแล้วก็ตายเนียกรณีแบบนี้ก็นับว่าน้อยส่วนใหญ่ก็ต้องอาศัยศรัทธาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพบว่าบางนิกายจะเน้นเรื่องศรัทธามากเน้นเรื่องอการเนเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธสัจนะซึ่งเต็มไปด้วยอิทธิฤทธินะ์แม้แต่ในเทรวาตเองเนี่ยก็จะมีหลายสำนักที่สอน หรือพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับนรกสวรรค์นะอะไรต่างๆมากมายพวกนี้เนี่ยอันนี้มันก็เป็นอุบายซึ่งถ้าถ้าถ้าเป็นกุศโลบาลมันก็จะสามารถที่จะยกประดับจิตใจคนให้เขาถึงธรรมะขั้นสูงได้แต่ถ้าเป็นอุบายธรรมดาก็อาจจะทำให้คนติดอยู่แค่นั้นแหละไปไม่ไกลใช่เลยครับส่นใหญ่ก็เป็นอย่างนั้น กออ็อย่างอย่างการการปฏิบัติอย่างที่วิปัสสนาแล้วก็ ที่ไปให้เห็นภาพเห็นอะไรต่างๆเห็นขึ้นสวรรค์นรกไปอะไรอย่างเงี้ยครับพระอาจารย์อย่างนั้นเนี้ยมันจะทําให้เราไกลจากความทุกข์หรือว่าตัดกิเลสออกไดปยังไงครับผมเคยได้ยินมาว่าเหมือนการที่อ ย, อย่างการฝึกปแรบบับอย่างมโนมยิทธิอย่างนั้นนะครับบอกว่าผมเคยถามพระอาจารย์ท่านนึงว่าเห็นไปแล้วมันจะได้อะไรท่านก็ตอบว่า รู้แล้วจะได้เป็นเครื่องมือจะได้ตัดกิเลสเอาไว้ตัดกิเลสซึ่งผมนึกในใจเนี่ยถ้าไม่มีปัญญานํำเนี่ยจะเห็นกิเลสจะเปหมดเลยระหว่างทางอยากอยากจะเห็นบ อ, อยากจะเป็นนี่อยากก็ได้นะคือผมมองว่ามันเป็นกิเลสแต่อันี้ไม่ไม่ทราบว่าความเห็นพระจาร์นี่ยังไงครับคือถ้าเห็นในโกสวรรค์ก็จะทาให้เกิดกลัวบาปอยากทําบุญ ไอ้ความกลัวบัมันก็ช่วยลดกิเลสได้ใช่ไมแต่มันไม่ได้หมดหรอกแต่มันช่วยลดกิเลสจ่ลดกิเลสได้แท้จริงมันต้องมีปัญญา จ, จนทั้งละอุปท า, านได้อุปท า, านที่สำคัญคืออุปท า, านในความชืวว่อมีตัวตนเพราะกิเลสส่วนใหญ่ก็มันก็รู้แล้วแต่วางอยู่บนความชื่อเรื่องตัวกูนะโลภะก็คือกูอยากได้อยากมีโทสะคือ กูอยากผลักออกไปเพราะมันทําให้กูเป็นทุกข์คราวนี้พอไม่มีตัวกูเนี่ยไอ้โลภะโทสะมก็มันก็ไม่มีที่ตังค์ไ้เพื่อการที่จะขจัดกิเลสได้สิ่งเชิงต้องมีปัญญาจนกระทัง่งเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นเราเป็นของเราก็คือละอัตตวัทถุปาทป า, านได้ละความยึดมั่นว่ามีตัวกูแต่ว่าการที่มิมนิมิตหรือเห็นนิมิตเนี่ยเกิดรสวรรคเนี่ยข้อดีมก็มีนะก็คือทําให้ อยากทําความดีสร้างบุญสร้างกุศลแล้วกลัวบาปแต่ข้อเสียก็คือว่าอะไรทำให้เกิดติดในนิมิตเดือดเพราจะเป็นนิมิตที่ทําให้เพลิดเพลินเนี่ยก็ทําให้เช่นแสงสีที่น่าพึงพอใจก็ทําให้ติดอยากจะได้แล้วพอไม่ได้พอไม่เห็นเนี่ยก็ทุกนิมิตเหล่านี้เนี่ยนะมันอาจทําให้เกิดการติดได้ หรือทําให้ใจสงบแล้วถ้าสงบก็ติดสงบได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทางครูบาอาจารย์ท่านพิพิธศนาเนี่ยท่านจะบอกว่าให้ให้ดูของจริงอย่าไปดูของที่ปลูกแต่งนี่ไม่คือสิ่งที่จิตปรูกแต่งการที่เราจะเห็นสัจธรรมได้เนี่ยคือเห็นความจริงได้เราต้องเห็นของจริงเห็นของจริงคือการไละใจมาถึงจะเห็นความจริงคือไตรลักษณ์ใช่ไหมถ้าเห็นของปลอมจะเห็นความจริงได้ยังไง ใช่ไหมเห็นความจริงก็เกิดจากการ ด, ดูความจริงหรือเห็นของจริงและของจริงเนี่ยมันจะบอกเราสอนเราเรื่องเรื่องเรื่องความจริงอ่านตําราก็ยังไม่ถือว่าเห็นขอบเห็นความจริงนะคุณอ่านตาราเนี่ยเกี่ยวพุทธศาสนาถ้าใพระไตรปิเนี่ยคุณก็ยังไม่เห็นความจริงหรอกตรงรกับคุณจะเห็นของจริงก็คือเวลาใจมันทุกข์มื่ถูก ด, ดา่าใจมันสุขเมื่อมีคนชมนะการที่หมั่นดูใจเนี่ยดูใจขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยนะ หรือว่าเห็นใจเห็นกายที่มันปวดเมื่อยเวลานั่งอยู่ท่านใดนานๆแล้วพอเปลี่ยนอิเลีย บ, บทมันหายมันเบาอันนี้แหละคือของจริงซึ่งมันทาให้เราเห็นความจริงเรื่องไตรักการเห็นความจริงเรื่องไตรักเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นหัวใจของการเข้าถึงสัจธรรมที่ช่วยทําให้เกิดการหลุดพน้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ย อ, อ การการทำวิปั ส, สนาที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่ไปดูนไปเห็นไปติดนิดนิดแต่มันคือการดูของจริงนะก็คือกายและใจเนี่ยไม่ต้องดูอะไรอย่างอื่นไม่ต้องดูอะไรนอกตัวแล้วเดี๋ยวความจริงก็จะปรากฏแก่ใจของเราจนเกิดปัญญาแล้วอย่างวิธีปฏิบัติเนี่ยมันมีหลายแนวทางมากเลยเราควรจะเลือกยังไงครับมีวิธี คือการฝึกในพุทธศาสนาที่ภาวนาเนี่ยมันมีหลายวัตถุประสงค์ต้องการทําให้ใจสงบต้องการทําให้ใจบรรเทาจากความโกรธต้องการทําให้เกิดศรัทธาต้องการทําให้เห็นความจริงมีหลายวัตถุประสงค์เม่อนั้นเนี่ยวิธีการก็เลยหลากหลายเช่นถ้าต้องการทําให้จิตเกิดศรัทธาแล้วก็มีเรียกว่าอนุสติการเจริญอนุสติเช่น การเลึกถึงพระธรรมประสงค์เราลึกถึงเทวดาและลึกถึงความดีที่เราได้ทําถ้าต้องการกระตุ้นให้ใจเกิดความไม่ประกะรุณ็เจริญมรรคสตินะถ้าต้องการทําให้ใจใเกิดเมตตาจะได้ไม่มีความโกรธแล้วก็จเจริญพรหมวิหารสีหรือเพราะเมตตากรุณาถ้าต้องการทําให้ใจิตสงบก็ทําเพ่งกิสินใช่ไหมแต่ต้องการทําให้จิต เ, เกิดปัญญาก็ต้องใช้สติปัฏฐานสี แต่ความสงบก็สามารถจะเกิดได้จากสติปัฏฐานสี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นที่เรื่การการฝึกจิตที่เรากรรมฐานในพุทธศาสนามีเยอะพุ อ, อธิกาตชานหรือครูบาอาจารย์แต่โบลาณท่านก็จำได้ว่ามี 40, 40วิธีเฉพาะอนุสติเนี่ยก็สิวิธีแล้วนะอนุสติคือการระลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความดีที่เราได้ทําเทวดาระลึกถึงศีลที่เราไมได้บําเพ็ญระลึกถึงความตายนะ น, นี้ก็เรียกว่าอนุสตินะก็มีวิธีการที่หลากหลายเป็นกรรมฐานแบบพูดทั้งนั้นแต่ถามว่า allergic เป็นหัวใจกรรมฐานแบบพูดเนี่ยคำตอบคือสติปัฏฐานสี่เพราะว่าทําให้ใจสงบก็ได้ทําให้ใจสว่างเกิดปัญญาก็ได้เพราะนั่นเนี่ยเวลาเวลาเวลาเราเห็นคนภาวนาต่างวิธีกันเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปเทีย่ยวว่าใครถูกใครผิดต้องดูก่อนว่าเขาภาวนาเพื่อวัตถุประสงค์อะไร วัตถุประสงค์อาจจะแตกต่างก็ได้แต่ว่ามันก็มีประโยชน์เหมือนกันใช่ไหมก็ถูกทั้งคู่อ่ะแต่ว่าถึงแม้จะเป็นคนละวิธีนะเพราะวัตถุประสงค์คนละอย่างแล้ววัตถุประสงค์นั้นก็ดีทั้งนั้นสี่ประธาะนสะี่คือว่าเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรม พูดง่ายๆคือว่ารู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมก็หมายความว่าเวลากายทำอะไรเนี่ยใจก็รู้นะรู้ตัวว่ากายทำอะไรเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนะอาบน้าก็รู้อาบน้ำกินข้าวถูฟันก็รู้ว่ากินข้าวถูฟันอันนี้คือรู้กายรู้กายอาจจะรู้ไปถึงว่ากายนี่มันประกอบด้วยอะไรก็คือประกอบไปด้วยธาตุสีมาจากไหนจะไปไหนกายเนี่ยเวลาตายแล้วเนี่ย ก็จะเห็นความน่าเปือยของของกายรู้ว่ากายมันจะเน่าเปือยอย่างไรอันนี้ก็ก็ฝึกการฝึกอย่างนี้เรียกว่าอสุภกรรมฐานก็ดูดูกายดูศพที่มันก็ค่อยเน่าเปื่อยไปก็เห็นว่ากายเนี่ยในสุดก็คือสู่ดินน้ำไฟลมไม่มีอะไรที่เป็นสาระนะแต่ว่าหลักหลังเนี่ยเขาจะดูว่าเวลากายทำอะไรใจก็ mm hmm. รู้ว่าทำสิ่งนั้นก็คือมีสติรู้ตัวในในการกระทา ทุกเอเรียบวดนะซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยบางทีกินข้าวไม่รู้ว่ากินข้าวอาบน้ําใจก็ลอยอันนี้เรียกว่าไม่รู้กายรู้เวทนาคือว่ามีความปวดเขาไม่ก็รู้มีความสุขก็รู้แต่ส่วนใหญ่ไม่รู้นะเวลาปวดเมื่อยก็เป็นเลยเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยไม่ใช่เห็นความปวดความเมื่อยนะรู้รู้จิตก็คือว่าใจมันคิดนึกอะไรก็รู้ทัน ใจมันโกรธก็รู้ว่าโกรธใจดีใจก็รู้ว่าดีใจรู้ความเป็นไปของกายรู้ความเป็นไปของใจนี่เรียกว่ารู้กายรู้ใจนะซึ่งมันทําให้ใจสงบได้เมื่อเรารู้ทันว่าใจกําลังทุกข์ใจกําลังโกรธใจกำลังโมโหพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยมันก็สงบรู้ธรรมเนี่ยคือรู้รู้รู้เรื่อง ทั้งอกุศลธรรมและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นกับกายและใจของเราเช่นรู้ชัดในเรื่องนิวร์นิวรห้าว่ามันเกิดจากอะไรมันดับไปเพราะอะไรนะรู้ชัดในเรื่องขันห้าว่าขันห้าเนี่ยรูปใบชนะสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันไม่เทีย่ยงมันมมันเป็นทุกข์คือรู้ความจริงของขันห้ารู้ความจริงเกี่ยวกั บ, เ, กกบเรื่อง ไอตนะสิบสองไอตนะภายนอกหกไอตนะภายในหรู้ว่ามันเป็นที่มาของความทุกข์ได้อย่างไรรู้เรื่องกุศลธรรมคือพุทงเจ็ดว่ามันมีธรรมชาติอย่างไรเกิดขึ้นมาเพราะอะไรดับไปเพราะอะไรรู้เรื่องอริสัตยสี่สุดท้ายก็ยคือรู้เรื่องอริสัตยสี่นะในทางศาสนาเนี่ยถ้ารู้ถ้าถ้ารู้ทำอย่างที่ว่ามาเช่นรู้ขันท่าเนี่ย นะรู้ไอตนะสิบสองเนี่ยหรือว่ารู้อริสัตีเนี่ยก็สามารถจะบรรลุธรรมได้รู้กาย ร, รู้ใจยังไม่บรรลุธรรมนะแต่การรู้การรู้ใจจะนําไปสู่การรู้ธรรมก็คือเข้าใจเรื่องมิวรเข้าใจเรื่องขันเข้าใจเรื่องไอต น, นะเข้าใจเรื่องอริสัตถี 4, ซึ่งทำให้บรรลุธรรมได้ดังนั้นเนี่ยสติปัฏฐานสีเนี่ยนะมันสําคัญเพราะว่าสามารถจะนําไปสู่การบรรลุธรรมคือพ้อนทุกได้ ถ้าว่าเรารู้กายรู้เวทนารู้จิตจนรทั่งไปเห็นธรรมคือเห็นความจริงนั่นแหละนะมันจึงเป็นหัวใจกรรมฐานแบบพุทธเนงมีคนมากี่ก็มาสามสี่โมง เห็นแบบไหมไ <Jub> ผมเห็นเห็นกำหนดการ ท, ท, ที่ที่ดีที่แม่ริมแล้วเห็น เลาวตำรวจกล่าวมาแล้เป็นยังไงครับทำไม่ได้ก็ผมไปนัดวันที่สิบสี่ใช่ไหมเปิดเปิดสมิธเปิดสมิธเนี่ยสิบสี่ใช่ไหมครับอ่ไปยังไงเครื่องบินมัครับมีรับกฎหมายมีหมออเขาบอกแล้ ค่อนข้างหลากหลาย เป็นหมื่นเนี่ยไปถ่ายทํหยาหรือวะมีทุกปีครับเพิ่งไปปีแรกเพิงไปปีแรกเรื่องเห็นลงเห็ น, นคนเห็ น, นตรงลงทานแล้วพวกแบบก็ก็สงสารเขาก็แบบาาแบบบางคนโดนเกณฑ์มาแบบมาเป็นรถนเกณฑ์มาทำอะไร มาเก็บมาเอาหารก็ไปขายไปแบ่งกันเหรอผมถามว่านี่เขาแถวรออะไรกันบอกบุงแล้วก็เดินเดินถีบกระเป๋าก็ละบายเอ๋อแล้วเขาอยากทำอะไรปิผมเห็นนั่งกินกันข้างนอกแล้วก็มีรวมใส่กระลำบังไว้ผมไม่แน่ใจว่าเอาไปขายเอาไปขายหรือเปล่าเหรออ๋อมัมพูดโชว์การเหรอแค่สมิญญอยู่เหอโอ้ เห็นเนผมเห็นพ่อเลียมเคยพูดว่าผู้มีห้ามก็หลบกันแล้วไปจอบซอยข้างๆคนมาเอาของคือถ้ามากินฟรีก็ไม่เป็นไรนะป็นไรด้อ เ, อเอาไปขายมันก็ลำบากนะเพราะมันเป็นของผสมผสมอะไเข้าไป ชาญคืออะไรครับใจชาญเนี่ยชาญคือสภาวะที่จิตสงบไม่มีความคิดปรุงแต่งนะเป็นสภาวะที่เกิดจากการที่จิตเนี่ยนะกําหนดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนกรทั่งไม่วอกแวกมันก็จะเกิดความสงบมากสงบจนกระทั่งเรียกว่ามันมีหลายขั้นนะขั้นตน้ตนๆคือไม่มีวิตกวิจารณ์นะก็คือว่าไม่มีความคิดปรุงแต่งนะ มันคนเราพอไม่มีความคิดปรุงต่มันก็สงบมากมันมีแต่ความปิติมันมีเดชสุขนะซึ่งก็มีอยู่แปดท่านนะสี่ขั้นแรกเนี่ยเขาเรียกว่ารูปปาจฉัยคือการที่มีจิตกำหนดอยู่กับสิ่งที่เป็นวัตถุหรือรูปซึ่งอันเป็นลมหายใจก็ได้จะเป็นเป็นของก็ได้อรูปฌานคือฌานสีสีระดับหลังเนี่ยก็คือ กำหนดไม่ได้กำหนดกับสิ่งที่เป็นรูปอาจจะ ก, กำหนดสิ่งที่มันเป็นนามธรรมาก็สงบมากแต่ว่ามันไม่ทําให้พ้นทุกผู้จอนเนี่ยบรรลุถึงฌานแปเข้าถึงฌานแปฝึกจนขนาดนี้แต่พงศ ก, ก็รู้ว่ากิเลสไม่ได้หายไปมันเมือนกับหินทับหญ้าส ง, สงบก็จริงแต่ช่วคราพอออกจากฌานก็จิต ก, ก็ทุกข์ใหม่เจออะไรมากระทบก็กระเพื่อมง่ายง่ายใครก็ด่าว่าก็กทุกข์ก็โกรธ ใช่เพราะฉะนั้นพวกผมก็เลยหันไปหาวิธีการฝึกแบบใหม่ก็คือทุกขลกิริยาก็ไม่พบว่านั่นเป็นคําตอบสุดท้ายพองค์ก็มาทางสายกลางก็คือการที่พิจารณาจนิญวิปัสสนาจนถึงข้าจริงเข้อติข้าใจถึงความจริงของชีวิตรู้สาเหตุที่มาของความทุกข์แต่ฌานนี่ก็ยังถือว่าเป็นเป็น เป็นอ่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าเราสามารถจะใช้ความใช้ฌานให้เป็นประโยชน์ในการเจริญปันสนาได้ก็คือเมื่อจิตสงบและออกจากฌานเนี่ยจิตก็สงบพอที่จะพิจารณาธรรมพิจารณากายกับใจได้หลายท่านก็ใช้วิธีการแบบนี้ก็คือฝึกให้ได้ฌานห่อนแล้วก็จิตออกจากฌานออกจากความสงบ แต่ว่าจิตกยังสงบอยู่นะแล้วก็ใช้ความสงบนั่นแหละมาดูกายและใจเหมือนกับเราจะมองอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราแสาสายเนี่ยนะมันก็จะเห็นไม่ชัดต้องนิ่งๆจ้องเหมือนกับกล้องโทรกล้องจุลทรรศเนี่ยมันต้องนิ่งมันถึงจะเห็นสิ่งที่กำลังดูอยู่ได้ชัดเจนนะเป็นชานมีประโยชน์ตรงนี้นะแต่ข้อเสียคืออาจจะติดในชานได้คือติดสงบ ติดอะไรก็ไม่ดีงั่นแหละนะไม่ติดสงบก็ตามเพราะมันทําให้เนิ่นช้าการปฏิบัติก็ไม่คิดจะพิจารณาทำนะอยากจะได้ความสงบอย่างเดียวมันก็เป็นการเนิ่นช้าต่อการบรรลุธรรมเราะฉะนั้นชานเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือมันทํายากเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติซึ่งเป็นที่นิยมสมัยนี้เป็นการปฏิบัติที่ไม่ต้องเอาอาศัยชาน ก็มาดูกายดูใจเลยก็สติปัฏฐานนี่ก็เป็นวิธีการที่ไม่ต้องอาศัยฌานก็ได้ดูกายดูใจดูของจริงเห็นความจริงในที่สุดคําถามหมดแล้วจริงมีอะไรอีกบ้างมครับที่แบบควรรู้หรืออะไรเงี้ยครัก็ถ้าที่ควรจะรู้ก็หมดแล้วมั้งบอกว่าก็ที่อย่าี่จอตันเนี่ยว่าความจริงเนี่ยมันก็แค่แบบว่าในกํำมือนั้นแหละไม่ต้องรู้มาก แ่ใจครับอย่า ง, อ ย, าง อ, อย่างนิวร์อย่างเงี้ยครับคือผมเคยเคยครั้งหนึ่งเคยนั่งนั่งพิพัณนาแล้วก็เริ่มพอเราเริ่มรู้สึกมันนิ่งแล้วก็เราก็เริ่มแต่ว่าจะมีอย่างหนึ่งที่ผมไม่เคยไม่แน่ใจว่าจะทำยังไงคือ พอมันเย็นพอรู้สึกว่ามันเย็นเย็นมันดิ่งรักไม่มีไม่ ม, ไ ม, ม, ไ ม, มีไม่ได้ยินหายใจแล้วแล้วก็มันไม่รู้สึกว่าเราปรุงแสงอะไรคือเราเป็นอันเป็นเป็นจิตเดียวพูดพูดอยู่คือเขาเรียกว่าอะไรรู้อยู่อยู่สิ่งเดียวอะฮะแต่ว่ามันเกิดสงสัยว่าอ๋อแค่นี้เหรอมีแค่นี้เหรอมันไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็น ก็เป็นความปรุงแต่งแบบหนึ่งความสงสัยความลงเลสงสัยเป็นวิจิตฉากรว่าได้ก็เป็นนิวร์ชนิเงินก็แค่ดูมันเฉยๆเพราะเป็นธรรมดาของติดที่มันจะปรุงแต่งแบบนั้นอ่ะนี่นะครับอาันสุดักใช่หมครับถ้าตามีเวลานะครับเอาเจอ